สิกขาบทที่สิบถามพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ทรงรู้ทรงเห็นทรงบัญญัติปาจิตตีแก่ภิกษุณีผู้บวชให้สิกขมานาที่มารดาบิดาหรือสามียังไม่ได้อนุญาตณนะที่ไหนตอบทรงบัญญัติณกรุงสาวัตถีถาม ทรงปรารบใครตอบทรงปรารบภิกษุณีทุลสนันทาถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่ภิกษุณีทุลลนันทาบวชให้สิกขานาที่มารดาบิดาหรือสามียังไม่ได้อนุญาตในสิกขาบทที่สิบนั้นมีหนึ่งพระบัญญัติบรรดาสมุดฐานแห่งอาบัตหกสมุดฐาน เกิดด้วยสมุทฐาน4สมุทฐานคือ 1. เกิดทางวาจาไม่ใช่เกิดทางกายไม่ใช่เกิดทางจิต 2. เกิดทางกายกับวาจาไม่ใช่เกิดทางจิต 3. เกิดทางวาจากับจิตไม่ใช่เกิดทางกาย 4. เกิดทางกายวาจากับจิต